ขึ้นไรกว่าฉลาดกว่าด้วยปิยาวาจากว่าไม่ตากหมาดานัขาวด้วยเ mm hmm. ดินหมากลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งกว่าเยอะเยอะ้าใจยังตระกูลข้าแมงรามางปูด้วยไม่กระจอกนะมือผมว่ามาจากตระกูลขาแมงกว่าทักษิณแมงเด็กกับกําแพงเข้ า, ายงาังก็มีนะมือครับมือถือมึงเก่งตลอดไหม ผลเงิ น, นเขาแหละนั่นแหละถูก ต, ต้องแล้วถูก ต, ต้องแล้วเมียง โ, งโง่ๆขเมียที่แม่งทำให้มึงเห็นว่ามึงโง่ตลอดกนะิดแม่งโง่ผู้หญิงนี่ผู้หญิงที่ฉลาดก็ทาตัวโ ง, โง่ๆแล้วสุดท้ายมึงจะทาอะไรเขาหมดเลยใช่ไหมรายได้ผมเลยทั้งนี้ทุกบาททุกสตางค์กูให้เมียกูหมดเนยเมียกูแม่งเก็บไปทุกอย่างเน่ผมแม่งแไม่มีอะไรเลยตงนี้พยากรนะกูแม่งตัวเปล่าเลยหรืออธาบริหารเท่า น, นั้น แต่มึงมีไม้ตายต่อรองกับมผมัพย์สมบัติเป็นชื่อเดียวมึงทุกอย่างเลยนะเกียเลยต่อรองกูตอี้อิ่หัวกูมากมึงก็มิตรพุทธเจอกูที่วัดแล้วเข้าใจยังะคนเรามันก็มีแค่นี้ใช่ป่ะมึงจะกินอะไรกันกี่มื้อใช่ไหมเดี๋ยวมึงก็ตายคาว่าวัยเนี่ยสหรับผมเขียนด้วยสารไอวแหวนด้วย เนี่ยวัยสี่สิบห้าสระไอวอลแวนวั ย, ว, ยวัยไหมเลยเท่าไหร่อีสิบห้าปีกรูก็60สิบแล้วสิบห้าปีเองผอว่ามึงมาหลยเรื่องอะไรอยู่เนี่ยมึงถูกวิทยาศาสตร์หลอกมึก ง, มงมไม่เคยคิดพวกมึงแม่งกลายเป็นหนูในกระถางเข้ากระถางมาตั้งแล้นมึงก็ถูกกระทรวงศึกษาหลอกพวกมึงวิ่งอยู่ใ น, ในกระถางสี่สิบวัยไม่รู้ตัว เ, เหรอมึงทำอะไรอยู่ใช่ปะถอนตัวมาเข้ากระถานใหม่คิดใหม่ทั้งใหม่ โอเนะแล้วเขาก็กระซิบตลอดกันว่ามึงต้าหลอกเด็กให้เป็นวิศวะของวิทยาศาสตร์ไว้เดี๋ยวไม่มีใคเรียนไอพวก น, นัเด็ไ่องคิดอะ่รงั้นจริงมากเด็กฉลาดฉลาดมึงก็นในช า, จำจำา้นไปจาจังหวัดนามัยไปจำโรอนามัยเด็กงงแงงวาเข้าใจยังงมทางเรียนเว้ยแ้วฉ ล, ลาดทางอื่นใช่ครับคิดใหม่เลยต้องคิดใหม่ทำไมใช่ป่ะมึงจำคำคมของไอ้นึงนะ เออเรียนกนะับคนโง่เลยลูกมึงสอนก็โง่มองว่าครูก็ยังชนะเลยเหะส่งลูกให้คนโง่อสอนนะส่งลูกให้คนโง่อสอนลูกมึงก็โง่กว่ามันเนะี่ยทดลองไม่ไม่โง่เท่ามันโนะง่กว่า ผมใช้คำ ว, ว่ากูมึงอย่าหาว่าสุภาพไม่สุภาพนะผมถือว่าสุภาพมากเพราะผมคนสุโขทัย้าใจไหจอมคนปอแม่งแสบผมว่ามากาหนดคานี้สุภาพคานี้สุภาพจริงๆแนละ้วเพาคุณปฏิบัติทำนะควาว่าสุภาพไม่สุภาพไม่มีนุย้ยมันเป็นศัพท์บัติที่พวกคุณกำหนดกันเองคุณคิดกันเองว่าแม่งไม่สุภาพเข้าใจยังผมจะพูดแบบนี้ไรเลยไม่แขกคนขอพระเจา้าพูดกูมึง <laughs> เลวกก ครูมีความเป็นตรงตัวคุณเองสูงผมไม่ได้เป็นขี้ข้าจอมบนปองแค่เอีงจอนบนปางแม่งตายหาไปแล้วภาษาสุโขทยสุดขั้วที่สุดแล้วส่งลูกให้คนโง่สอนลูกคุณก็ลูกคุณก็โง่ส่งลูกให้คนจนสอนลูกคุณก็ทําไมครับเออครูมึงจนตาแห่าตัวไม่นอดแต่นี้จากระบบการศึกษาไทยมันบีบมังคับว่าคุณต้องเข้ากลาไปหนงร่วมกันใช่ไหมก็คือผอก็ะทรวงศึกษา เดี๋ยนี้เรียนใหม่แล้วเข้าไปเรียนวิทยาร์หรือยังโฮมสคูล <omes> คุณทํำโฮมสคูลได้แล้วแม่สี่ห้าคนรวมตัวกันก็จะเรียนโรงเรีย น, ยน อ, อนาดาลุนไหมหนาดารุนเนี่ยแม่สี่สิบคนงงลูกครโซทั้งหมดรวมตัวกันเปิดโรงเรียนเห็นไหมยังสอนแบบแบกวงร้อมหมดเลยผมบอกคุณเล้วใช่ไหมลูกเศรษฐีเนี่ยเขาก็ไปโรงเรียนไปอย่างนั้นเองเพื่อเอาคอนเนคชัน เอาคอนเนคชันแต่เขาสอนกันเองไหมครับเอาง่ายๆเลยไม่เอาใครเลยชวนหลีใครทำไมเล่นการเมืองเป็นใครสอนชวนมาสอนนอห้องเรียนด้วยใครครับที่นามศักคุณอะไรอ่ะอ่าแก่ๆนะล่ะอำไมอภิสิทธิ์ใครสอนมาชวนถูกไหมชวนสอนมาตลอดแล้วคุณเนะี่ยใคร ใครก่อนหนึ่งลุ้นพี่จติวมาตัวแม่กับตัวแม่รอดเลยพี่หนึงอะใครติวมึงคุณเสร็จแล้วงานแรกคุณก็เสร็จแล้ววิทยาศาสตร์เว้ยผมเล่าเรื่อดรวิชิตแล้วใช่ไหมครับลูกหลานธนาคารแองเทพไม่ต้องไปถือกระเป๋าตามดรวิชิตอยู่ซัระยะหนึ่งเพื่อจะเรียนรู้วิชาเลยครับเรื่องการเงินการธนาคารแต่ดตรวิชิตจบวิศวะเว้ย คนเรียนจบวิศวะเนี่ยปเป็นอาจารย์รอยู่วอลตันเอ็นบอไปอยู่สโ a ร์แมネจไปอยู่ที่เป็นเอ a บเอเยอะมากวิศวะเนี่ยเวลาคุณเปลี่ยนหัวไปเรียนทางด้านไฟน้องไฟแนนด์เ่แม่งโคตรง่ายลเลยเรื่องบ้าๆนี้มึงยังเรียนได้เลย อ, อกาทั้งอมึงสร้างได้แม่งไฟแนน์แม่งหูเข้าใจป่ะมึงเสยียวไปเรียนเรื่องยากแล้วมึงถูกเขาหลอกว่าเก่งจังเลยเก่งจังเลย พวคุณนู้แหละผมแม่แม่เปนแค่หมักลูกตัวหนึ่งนั่นเองคุณคุณจบด็อกเตอร์มาไหนแล้วแต่ของวิศวะไหมนะสำหรับผมไม่ให้หมักรูกตัวเไหมกูจะจ้างมึงก็ได้ไม่จ้างมึงก็ได้เข้าใจป่ะนี่คือคิดอี่ยวคนมีตังคิดอย่างบอสคุณไม่จะเป็นต้องซ่อมรถได้ใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมว่าอู่อยู่ไหนถ่าจบแล้วเข้าใจัิธีคิดไหแต่คุณแต่้คุณแฮปปี้ลชีวิตของคุณผมแฮปปี้ด้วยนะ แต่ถ้คุณไม่รักอาชีพมัน้วเปลี่ยนเถอะอย่าตอนนั้นผู้รังเลยอย่าดันผู้ังเขาไม่รู้ตัวมึงไม่ชอบแล้วมอันผู้รังเขาเรียกว่า do work you love money m น n e y ดูนดาเกียดนะ success มากกว่ success, านะ success ทำไมครับ view follow ไม่นั้นในชีวตัวเองนะออกไปอย่าอยู่อย่าทำปเปลี่ยนอาชีพซะดูวัดอยูเลิเข้าใจบ้าที่กระบอกภาสาไทยแม่ ง, ง้มเหลวไงครูแ้แนวแม่งคือครูหุยห่ยคุยเคยๆแม่งสอนหาอะไรไม่เป็นได้มานั่งในแนวใช่ไหมพคุณยิ่เลยไม่รู้วิศวะแม่งคืออะไรแต่พอคุณเรียนเก่งพั่วาจารย์แม่งกั บ, บกผูกขนมพอคุณว่าเป็นแพทย์เป็นวิศวะพอคุณได้เรียนแพทยวิศวะสมรู้ความจริงคุณถอนตัวได้อย่างคะเนคุณเจอรุ่นพี่งโง่ๆไม่หลอกคุณอีกใช่ไหม ตายคุณแม่งตายไม่ไคุยระดับนี้อย่าคุยมากนะเพราะเดี๋ยวแม่งไม่มีใครเรียนเพื่อนังมึงหลอกคุณแม่งต่อไปเพื่อนยัเดี๋ยวีรเย่แล้วหลอกต่อไปนะเว้ยนี่มันคุยแบบซีฟีแล้ววงในเท่านั้นไปแม่งถูกหลอกไปก่อนทำในสิ่งที่คุณรักเนะเดี๋ยวเงินแลี่ยักเซสก็จะตามมาคุณเคยคิดไหมว่าทุกวันนี้คุณตื่นมาแหละคุณอยากทำงานที่คุณทำอยู่ ทุกวันตื่นมาคุณสามารถดีดตัวเองไปแล้วบอกแล้วว่าแม่อยากไปทำงานและก็าคืนก่อนล้มตัวลงนอนคุณมีความรู้สึกว่าแม่งวันมันรินหมดเร็วชิบหายเลยถ้าคุณได้อาชีพนั้นนะ thank you c o n g r a t u l a t i o n ยมึงมาถูกทางแล้วแต่ถ้าคือถ้ทุกวันจันรมึงก็ไงครับเบื่อชิบหายหาพวกเนี้าไ่เจอพวกแม่งดื้อยังควายไปชุมพิไรแม่งเวแม่ไม่เคยเชื่อกู ใช่ป่ะอย่าเง้ยบ่อยๆเี้มึงแม่อะไรของแม่เงี้มึงเงิยบแล้วเบือ่อชิบหายนายโง่ชิบหายโง่อย่างเสี้ยเถียงอีกจริงๆไม่ใช่หรอที่มึงโง่กว่นายนายก็ฉลาดของมึงเขาไม่เขาไม่เก่งจรงไม่เป็นนายหรอกนะครับลูกคิดใหม่ทำใหม่นะผมมียุทธศาสตร์อันนึ่งที่ผมใช้คือว่าตอนอายุ30เนี่ย นะครับผมชอบทำตัวเหยียบเรือสองแคมมู้นี่เข้าหมาเหยียบเรือสองแคมมั<อ>้ยเาไหวิธีคิดเป็นอย่างงี<อ>ส้สมมติคุกำทอาชีพอะไรอยู่อาชีพนึงผมว่าทาอาชีพอาชีพึอพงอยเนี้ยใช่ป่ะอย่างี้ ม, มึมงโยงไปสุดตัวนี้เลยใช่ไหมเพรว่าแล้วมึงก็ดันพลังสู้ใช่ไหมอย่างเงี้ยในเกมนั้นม่ะหลอกเเลี่ามึงไอ้พวกนักดาบสวอ p แต่กลัวม like, well ือธนูหรือแม่กระพบดกูไม่เชืออย่างงั้นกูจะแย่ๆดูอีกอาชีพหนึ่งก็้ค่อยแย่ๆใ่ไหมดูเพื่อท่าเขาเงาไปแย่อีกด้านนึ่ลยยงแย่ใหม่แย่ใหม่แต่นี้เ็ื่องหาแดอันนี้เรื่อมอคข้าวคข้เพราะว่า แย่แย่ย่แพบว่าอันใหม่ใช่ไหมครับยำยำเริ่มย้ำก่อนย่งยิ่ไปหย่ไปย้ำก่อนย้ำย้ำมาส์มาบาลานซ์บาลานซ์ก่อนแล้วก็ดูพอแพฟฟิลิตี้ใช่ไหมบาลานซ์บาลานซ์พบว่าไหมครับทำนี้แน่นกว่าก็ค่อยถอนก็ค่อยถอนเลยไปคนี้เออก็อยู่นี่ได้ชีพใหม่ะทนาไการคนได้ชีพใหม่ทำไมครับแต่แดแด่แด่กูแต่กจ้างมง มึงแม่งอย่างนี้มึงแม่งไอ้พวกนักลบไอ้พวกบ้าเลยไอ้เตียวหุยมึงอะเตียวหุยเต็มลักเลยเขาใ่ะปูให้เตียวหุยมากูซุนกวนกูดูเล่าีกตัวโฉตีกันใครชนะเด็กูย้ายข้างเข้าใจยังซุนกวนได้เจ๋งสุดเวยเข้าใจปะโห่มบ้านพาคนไปตายเจครั้งโห่เมฆแม่งชั่วร้ายเ่ไม anyway. ่ได้แพ้ด้วยเข้าใจยัง เนี่ยมันอย่างไอโซนะฮะบอกความจริงคุณเลยนะผมแม่งจบทางไฟในอิเลเมนต์เว้ยนะจบทางเซรามิกมาถือว่าอยู่มาวันหนึ่งเวยเข้าสอนไอโซกันเวยเข้าสอนผู้คอร์ทอรกันที่จุฬาเว้ยกูไม่เคยได้ยินเลยโซได้คืออะไรกูฟังที่หลังผู้มึงที่ทำไปแต่กูเงี้ยถืูฟังอชชชชชาน่าสนใจแล้วไหนครับกูเสือเขาเป็นคนตาขอนใช้ยแล้วกูแย่แย่ๆดูปอปน้าต่อมาใครคนเก่งสุดครับ จันทุนพรว่าเกาะจันทุนพรจะรปความเรียกฝรั่งคนเซ็ามาลาเบลจอไอลาเบลฝรั่งที่มันเก๋ไอโซนะปะกะแม่งสามเบือหาแม่งดาบจดในเมย์กตู้เวินขายืนเีนย่ยวเมือนาแม่เลย <c oughs> ตรงนั้นกูแน่นนี่ยงคิานสูนเพิ่มเติมได้ครับถึงขั้นกูจับโปลาเบลได้ทิ่งูงามาโมก็มีเขออ้าใจยังคุณอาคูไอโซแน่นรครับกูทิ้งแม่เลยไปในเ ม, มนะวันนี้เก๋ึงได้อย่างง่ายสามสี่แสน ว่ามันถุยเอชโอเา้าพันนะไม่กี่วันก็ได้แล้วเข้าใจปะวัวก็ยืนอยู่ไอเอชโอแต่ไม่โซเก็าพันสักพักนึงทำไมครับลุสิบแม่งเริ่มเป็นกันเริ่มมีคนซื้อไอเโอก็าพันราคา ถ, ถูกๆมากขึ้ทขนทำไมคราวนี้เนื้ออะไรครับไอแต่เนื้อจุ๋มนี่ทั้งหมดนะตั้งหมืนสีทั้งเก้าพันกูแดกหมดนะว่านะวัว ก, กินในหลักการเรื่องเดียวกันแทนดูเช็คแอคชั่นเรื่องเดีอวกันหมดมึงจับได้อันในมึงทาไมถูกไอเโซเหรอเรื่องเดียวกันหมดนะพวกมึงแม่โดนหลอกแล้ว ผู้หญ่โซก็พันคอนเสิร์ LET casos. ตตัวจานนะท้ายมีเรื่องใหม่มาว่าร้านสกอต์ก็ไมครับแต่แดดแดดแดดเปิดเต็นเต้กเสื่อยแย่ใครแม่งเก่งสุดประปบกรแม่งหูว่าก็คือที่ทริสจากนั้นมาก็ทำให้ราชการเลยกระโดดเข้าลงไปทำเลยตอนนี้กูว่ากูเป็นเอ็กซ์เพรสคนหนึ่งลกูอยู่ฝั่งนี้แล้วไอโซก็มันตอนนี้กูเลยทิ้งแต่ทิ้งไม่หมดเพราวชั่นใหม่มาได้ะแดกรอบหนึ่ง เพราอะไรก็คือนี่กูอนุในวงการผมว่าผมก็เจ๋งสุดในโซในระดับหนึ่งอ่ะใช่ป่ะในระดับนีงครูก็ไม่ธรรมดาทิ้งคำขานเลยฐานครูยังแดกได้อยู่ใช่ป่ะใช้เวลากินอยู่อย่างนี้ตอนนี้แดกตรงนี้ก็ได้แดกตรงนี้ก็ได้อยู่มาบันดึงกูเร็นนาคดแล้วเท่าไกวในโลกของนาเรื่องผิว่รีซอกลายมาแรงครูก็เลยต้องเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เพราะมันแดกของข้ามันรวยทุกคนเลนะแ้่กูทิ้งได้ไงนนี้ผว่าไดหน้าไมครับ กูไปจับแล้วเนี่ยเงินใจแม่แหลูกสิษฝังนี้พวกนี้ไม่จ่ายเงินกูแล้วแม่กระจบถูกปะแต่พวกนี้ไม่ใช่เว้ยก็เป็นลูกสิษยกู for life มีเรื่องเดือดร้อนยิงกูช่วยได้หมดสุดยอดกินเอ็มเอมีอาหารเซร์ไพมไม่ต้องซื้อมีคนมาขวายกูก็ไาะยาวอะไรเนี่ยอะไรปะระกันประกันอะไรเงี้ยบินไปเชียงกงผมอยากที่เชียงกงก็ไม่ต้องลงทุนมีตัวผบินมาลงให้ ให้กูไปทำพิธีขยยันชีวิตกูแพงเปลี่ยนเลยใช่ว่าทางขไรน่ะอันนี้เรี่อ บ, บาลาีว้ยสุดท้ายกูก็เลยแบบอย่างนี้ตำไมาก็มาหาตัวตายตัวแทนเข้ามาทำไมครพบเมาสอนเปบริษัทหนึ่งบริษัทสองบริษัทสามันนี้คูมีสามสี่บริษัทขยายยันด้วีคิดแล้วสุดท้ายสิ่งที่เรียนจบมาได้ใช่ไหมไปได้รมช่แมง <laughs> ปล่อยกันตามโมหนีไปแล้วกันถึงเวลาคุณจ้างแกสแสนแกนั่งทำชิปหายด้3เดือนใช่ป่ะได้2แสนแล้วกูแกแล้ว40สบกว่าเองคุณจะได้ไวเพราะผู้มึงเด็กๆได้ไงมึงน่งคำนวณแล้ก็ไวกว่กูจริงว่ากูหมดสมัยแล้วกูนั่งคิดซอฟต์แวร์ไฟไนต์เรมเติมเสียบยังเดียวได้คตอบเสียบยังเดียวได้คำตอบใช่ไหมไฟไน์่ ใส่ b u r y เงนั น, ใ, น, น, นใช่มเลือกถูกตอ้องสมใหม่แม่งโคตรเจ๋งเลยกอแม่งเหลี่ยมเหยใช่นี้มึงแม่ง่ อ, อะไรลแม่งทีดีกว่าใช่รองรับเทอร์โมได้แล้วรองรับโหลดได้ทุกแบบตรวจแม่งเปลี่ยนตแม่งเปลี่ยนสุดยอดคิดคืออะไรครับจ้างใช่ไหรโปรโมทในช่างไพน์ีบอกว่าจะีบูนได้ที่ที่จุฬาเสียนไคไหน ต่างแกจบเงินคุณต้องไปนั่งเรียนด้วยส่วนเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสุดยอดเรียนคอมคุณไม่เรียนคอมด้วยผมนั่งคำนวณอยู่แล้วถ้าผมเอาเวลาไปลงทุนเรียนคอมพิวเตอร์เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์สนั่นวันไหวด้วยนะคุณต้องเสียเวลาไปสี่ชั่วโมงต่อวันอัตราการทาเงินของผมเนี่ยบาต่อชั่วโมงเนี่ยจะมาหมดกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้่ังนั้นเรียนไม่เรียนเรื่องคอมคุไม่เรียนผมจะสอนคุณเรื่องการเลือก เลืกเรื่องที่จะเรียนเลอือกโนเลชแต่ถ้าไม่เรียนทำไงอ่ะคุณก็ต้องใช้ปี๊ะว่าจะเพื่อที่จะดึงน้องที่เก่งคอมพิวเตอร์ไว้อยู่ข้างคุณใช่ไหมครับผมมีน้องที่เป็นเซียนคอมพิวเตอร์อยู่สคนถึงขั้นเป็นคอนซัล์ได้อยู่สองข้างผัดกันเรียกใช้ในทีละก็ต้องไปประวัติ พวกมันมีคนจัดการคอมมุมทั้งหมดเลยตีคแค่มาเล่าของฟังคร่าวๆนั่นเองว่ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวพวกมันจะหาอะไรเจ๋งๆมาเสียใน้ผมเลยอ่ะจ้า่าถึงเวลาผมคำนวณดูแล้วสี่ชั่วโมงทีง่เราเวลาไปนั่งเรียนคอมยังเก่งเอ็กซ์เปิดเก่งเรื่องไวรัสกูจ่ายให้แน่งพันบาทเนี่ยคุ้มกว่าอีกแ้วไอภาวะมาหาผมเลยนะไวรัสตัว ใ, ใหม่มาทุกน่ี่แม่งกินกูเละเลยช่วงเนี้ยอไอภาวะแม่งโคตรเสียเลยแม่งชั่วโมงสองชั่วโมงแม่งคลิกออกถึงเวลาแม่งก็ทำไมครับ เอาโปรแกรมตัวใหม่ๆาจารย์ไใรละตัวใหม่มาแล้วแบ่งแกะต่างะได้ค่ะแท็กซี่ไปสองร้0ยสาม้อยห้าร้อยท่าไ่กัอเหลือแค่เันเดือนและค่าพันเซาด้วยไยมันได้ทริปพิเศษเนี่ยมันมาบ่อยไหมแต่เห็นไรก็เยลูกศิษย์ทำรมผมไงแม่บวชเียกับผมแล้วอ่ะได้มาถึงสองคนเนี่ยบารมีเร้่องเคลื่อเรืยๆทั้งหมดแม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวนี้ด้วย มึงต้องมีไป่นะวาจามึงต้องจักสร้างบา ร, รมีสร้างบา ร, รมีบา ร, รมียางนี้ทางธรรมด้วย่ทางโลกเร่งงินหวานด้วยทางธรรมเมือม่อก่อนเทศบา ร, รมีทางโลกสงการทีไร น, นะมาแถวะยอเนี่ยแมไม่ค่อยได้แดกเคุณรู้จักไอตรงรายาล้าน ไ, ไหวไหมสงการเนะี่เมื่อก่อนผําได้ว่าสิปีก่อนโ อ, อ้โหคนแ่นที่ไเลยทำ ไ, ไมอยืนน่งกูอีนั่งทีใหม่สงการ ทำไงอขอยุทธศาสตร์ลูกเมียคุณหิวที่หายนะสงการแม่ไมีที่จะกินใช่ไหมร้านดังๆคนนั่งเต็มทำไงครับยุทธศาสตร์จะมีอสองอย่างภายในครึ่งชั่วโมงถ้าไม่สามารถแดกร้านนี้ได้ร้านหาอะไรก็กินซาเข้าใจไหมแยกก็เคลียร์เมือแบบนี้ข้อทีอ่สองเด็นเมหาบ่อยมันหุมเงนบ่อยนะน้องม่วเนี่เปนของ น, อ น, นะออน้องนะขอเต้ะด่วนมึงก็ได้ไนะ ทำทีเลยอะไรยังอันนี้เนี่ยสร้างบารมีชั่วชัวอะไรอย่าี้ยรร อ, อย่อยไปทำแต่กูก็ทําไปแล้วเมื่อน้องมันเถี่ยปีใหน่ยังงั้นห้าร้อยเนี่ยให้ไปเถอะเด็กมันเหนื่อยใช่มบ้ามไม่ได้กลับนะไม่เจอเสียงเราเขาน่าทําได้ไม้มเราเรามาชัด ๆ, ๆพี่พี่นั่งไหนขอ้อบ้านประจําบางทะเลนั่งเจอหน้ากูไม่แค่จะสั่งให้กูกินได้เลยอะ ใช่ป่ะอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจอย่าเอาความเป็นเด็กอย่าเอาความเป็นผู้หญิงมาใช้อย่าเอาความเป็นผู้ชายตองเอา ไ, วไว้วะตัดเป็นหญิงออกตัดความเป็นชายออกความเป็นตุด๊ดออกกหมดอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์อย่าใช่ first feeling อย่าใช้ใช้เหตุผล ผู้หญิงทันยากับผู้หญิงโมกลาเนี่ยมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมผู้หญิงสสองลาสี่เนี่ยเวลามันเลือกหัวเนี่ยมันใช้สมองมากกว่าความรู้สึกเจ๋งนะสมมติว่ามันรักผู้ชายคนหนึ่งมากนะแต่เวลามันแต่งมันไม่แต่งกับคนนี้ก็ได้มันแต่งด้วยความเลยครับแต่งว่ามันใช้ decision making แต่อี๋งงงอย่างกนกดารักเมียยอมตายก็เจ็บเหมือความรักของเราเหมือนเจ้าชายปารีสอะในเรื่องทอยอะไอเวนตบกระโหลกแค่ความรักนาหน้าเนี่ยแฮกเตอร์แม่งเซ็งนะน้องเลงงใช่แเตอรแม่งเบื่อยนะใ่ปะะครับมึงตายเว้นใร้ซีลิ่คตายเมียมึงทำให้พี่น้องตายด้วยกูทรอยเลยใช้ซีลิ่งตัวเดียวใช่ครับ โอนะเคนอาวนะลูกเมียพนักงานมีความสุขพนักงานก็ทําไมครับมีความสุขนะเรียกมาเรียนทั้งเลยครับพ่อแม่ลูกเมียจับมาเรียนด้วยกันพร้อมกันทั้งหมดเรียนรู้พร้อมๆกันเรียนธรรมะก็เหมือนกันผัวเมียควรเรียนพร้อมๆกันไม่งั้นแม่งคร้อกันครูคนใหม่ชื่อเกิ้ลสอนไว้ยังคุณรู้จักไม่ครูคนนี้ชื่อเกิ้ล คูเกินมีอไรเราไม่ก็บอกแล้วครูเกินแต่ก็เรือยันเรือรบ่รู้ทำไมเขาหรือไม่ก็ไปที่แผนฉิดจอร์ดคอมขยายข้นคุณก็มีวงการคุณผมเองจะอยู่ในเว็บชื่อกำลังภายใน ประวัตศาสตร์ศาสนาและฟุตบอลกว่า น, นี้คุูขี้เกียจยูแล้วแม่งรู้เยอะเลยไปแล้วบอกพวกคุณอยู่ไรกันบางอ่ะแต่เนี้ยเข้าไปฟุตบอลบ่อยมากนะนั่งฟังครูแม่งทะเลาะ ก, กันเจอเม่นอาจะโพสผิดไม่ยังเป็นดู่พราะมันโพสนั่งหัวเราะยี่ว่าคูแท้ไม่ยอมสง ส, งสนนะโหทั้งลานเลยแล้วเม็ดแม่งด่ า, อ, ดาอยู่ไอพวกเราแมนยูชอบไปซ้ำไปเลยนะ เมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนทีไม่ดีนะ อ, อ้เจอที่าจะขมเราที่นนนไนนะโอเคถ้าสนุกดีแต่อย่าไปโกรธกันนะเว็บศาสนานาได้ความรู้เยอะถึงเวลช่วยกันช่วยจริงๆพวกนี้นะถึงเวลาเขาก็ช่วยกันท้อกันนี้นะคุณเชื่อนเะว็บพวกผมนะแล้วพวกผมเข้าเว็บอย่างเงี้ยถึงวันสัปดาห์ัเดือนเล่นเดือนเนี่ยก็มานั่งกินกาแฟ ى, กินน้ําชาเจอกัน t ตา b u c k s เจออะไรก็ใช่ไหมเจอเป็นกลุ่มนีไม่โดนหล อ, อกนะเป็นีดเจอรวยพเจอกันนะ บาคเข้าเว็งว่ผมไม่คุยกงเพื่อนเขานอกจอไม้ก็เจอกันยิ่งถ้าคุณรังไงนะเจอแรกหนังสือกันนะคุณเคยเข้าเว็บคุณงไงยังวิจารณ์กันแหลกลาเลยนะบางครั้งมีการจัดอันดับนะนางเอกสวยที่สุดในบูเรเป็นใรหนึ่งสองสามทีหใครหล่อสุดอีกอีกเราเมฆไปเข้ามาใหญ่อนนี้หล่อเราอมันนี่ก็ยังมันก็แลกเปลี่ยนภาพนางเอกสวยกับตึงอมีอะไรได้ไหมครูมี เงี้ยเข้าใจยังคุณแรกเพื่อนอีกกลุ่มนึงคุณฟังไอ้คอนเซ็ปต์ผมไหมนะผมจะไม่สร้างแกลปกับคนรุ่นหลังจะโนโกแก a ปไละคุณคมรคบคนอายุน้อยกว่าด้วยพอๆกับคบคนที่เก่งเพื่นอนผมในในระดับพันที่จัดคอมก็อายุประมาณเท่านั้นแม่นี่เนี่ยสิบแปดยัง <c oughs> ปีขอคนหนึ่งนะอายุตอนนี้อยู่ปีสี่ม้งนี่แะที่ดูดิมัแม่งโคตรเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เลยแม่งสุดยอดเลยตัวนี้นะครบประมาณนี้แม่งช่วยผมตั้หลายเรื่องเจอเว็บเนียน่ยพวกนี้ใช่ไหมเจอมีมีตั้งหลายคนอีกสี่ห้าคนอีกคนนึงแม่งมเซียนเรื่องแก้วสารคัดแก้วเลยถามาเรื่องแก้วตอบได้เลยตอบเป็นฉัดฉากเลยเขาทําแก้วเองได้ อีคนมันเป็นแมกไกเวอร์สักะเบือยันเรือนบเร่อลูบิเนียมมึงจะสร้างมึงจะก๊อปปี้เลมคุยกับมันแม่งตอบมันได้ทุกเรื่องอีกคนมันเป็นเซียนซิซิคเมอรเก่งสแปดขาดใจเลยไอ้พวกเก่งสแปดมึมีสุดสี่ห้าคนเข้าใจยังสุดยอดคิดถึงทำไมมีงคอนเนคชั่นมึงลิงให้ทุกคนเป็นเียวกันอมไมอยุ่งกันนะตอนนี้ทุกคนโง่ม่ เ, เก่งเฉพาะเรื่องหม่เข้าใจยัง เสือเป็นอย่างตัหมดไม่เป็นจิงโอ้ยอะไรอะในเราเป็นอย่งของวัไม่เหนะคุณต้องมีอะไรมากมากยครับปยาวอาจารย์นี่เยอะไหมคุณใจกว้างพอไย่งวเ็กอ่ะโดยพวมัเรียกผมนะในแม็มันเรียกผมนะโอเคคุณไม่เล่าคุณงงแค่ไม่พอะไรนะนะนะอย่าตดีอย่าเผลอทั้งหมจะปบหลานได้อะไรอะ ก็วันเลยนะเขาไปเรื่อยๆคบเด็กไว้เพราะทุกวันเด็กเนะี่ยแหละมันคืออะไรครับถ้าคุณเล่นเกนสามก๊กงานแรกะไรที่คนทำคือต้องทำวิชานี้ครับรีครูตรีครูตแปลว่าอะไรครับคุณจะทำการใหญ่ไอ้บ้านนอกสามคนอย่างคุณเล่าปีใช่ปะ ไอ้กวนอูเจมหุยไอ้อ่อนสามตัวจะทำงานใหญ่ไม่มีทางเพราทำไมฮนะต้องหาใครครับรีคูทคือใช่คุณลูกสาสมนุน้องหญิงแข่งได้แล้วลนะวันนี้ทังหมแม่มีลูกน้องอยังมีคนเล่นขั้นยังคุณมีบา ร, รมีพออย่างที่คนจะซูโหก้กคุณว่าพี่มีหรือเปล่ามีใครมาหาคุณไหมคุณจะเป็นลูกพี่ใหญ่ได้คุณก็ต้องมีอะไรก่อนครับกานะบรนบารมีถูก มีการให้สิ่นนท ad. งที่คุณจะให้ลูกน้องมีสี่อย่างคุณหนึ่งให้ความรู้มันคุณมีความรู้ที่ให้มันเปล่าคุณให้โอกาสมันหรือเปล่าคุณให้อภัยมันเป็นหรือเปล่าถูกไหมแล้วคุณให้ธรรมะมันหรือเปล่าคุณให้แม่งสี่อย่างบารมีคุณขึ้นทันทีบารมีในการมีลูกน้องคุณสร้างสี่อย่างนี้ให้ได้ให้ความรู้ให้โอกาสให้อภัยให้ทํามะเดี๋ยวคุณจะมีลูกน้องดีๆอยู่ตุ้มตุ้เลย แ้วคุณกเก็บค่าองอ์จากมันใช่ยังไม่้องเก็บอะไรเดี๋ยวมันก็ให้คุณเงละมันมันรกคุณหนูไม่ให้เองแล้วเวลาให้วันใดที่ให้อย่าหวังว่าได้กลับก็ใช่ยังทีนี้ไม่ได้มีการให้เงินนุ้งนองเลยนะครับผมไม่ให้เงินนุ้งน้องเด็ดขาดเลยข้ายืนในโนเวย์ถ้าให้ก็ูให้หนึ่งห้าหมื่นเนี่ยไปเลยจบคู่ไม่เค้คิดจะทวงยังไงเลยถ้าคู่ให้ก็แปลว่าจบลว แต่ส่วนใหญ่จะไม่ให้จะให้โอกาสให้ความรู้ให้อินฟอร์เมชันให้วิธีคิดพวกแม่งตกงานมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอายุ35จบปิญญาตรีตกงานไว้ตกงานผัวทิ้งหรือลูกคนเดียวแม่งร้องผมร้องห้อยู่เชียงใหม่ใครเนี่ยผมทำไงอีกเนี่ยจับแม่งขึ้นรถขับตะเวนทีงเชียงใหม่ชี้จุดให้มึงดู ตรงนี้มึงไม่ต้องกลัวอะไรเลยมึงแน่นั่นด้านทำไมครับมึงเอาตาเล้งมาอันหนึ่งแช่ยางรถกระบะคันหนึงมึงจอดปับ๊บมึงแม่งเปิดร้านร้านหาอะไรหดึด่งคิดให้ขนมจีนเลยก็ได้แล้วมึงก็ทำเงินขี้ขวโนเนะใช่ป่ะเอาโต๊ะเตี้ย ม, มาลงฮะเอาผ้าแบบสวยหน่อยแล้วก็มีดอกไม้หรือสวยมาปากักไม่ต้องลงทุนถูกป่าขนมจีนมึงแม่งก็ใส่ในถ้วยโบย โบว์แเซรามิกถูกไ้หายนล้มปางเชียงใหม่มันทำให้มันนิชนิชหรือแต่แตนจคนอื่นแล้วมีเทีย น, นงงแล้วก็มันงงแล้วก็มึงก็เรียกเทศบาลมายาัดเงินเทศบาลไปก็ใชยังนั่งไถมึงอยู่ดีอ่ะถูกป่ยเรนที่มีจิโกไม่เรียกข้าคุ้มครองมึงก็ยกือให้ตยายาเก็เจียดีกว่าอยู่ในห้างในห้างฟันมึนแงแพงกว่ตรงนี้หาตีเมื่อคนมาคุมมึงหญิงเดียวเนี่ยเดี๋ยวมึงจะโนล่อเอาใช่ป่ะ หาตีนมาคุมหาผู้ชายขึ้นแข็งคนหนึ่งมายืนมีไว้ใจได้คนนึ่งนั่นเองก็เลิกทาแล้วลก็มาล้างมันก็ดีขึ้นนี่เลยก็ดีขึ้นนี่เลยจ้างจ้างสวยอย่างเดียวลูกสันนิดนึงเดินเสิร์ฟอารมณ์มันจะดีขึ้นไหมแย่แป๊แบบเดียวแม่รวยเลยพ่ชายของแถวแล้วนะเลิกทํ่าย ง, ง่ายวิธีคิดของมือแน่มีอคนอยู่เฮย น, นะผมแทบจะต ก, กโคลกเลยนะที่ี่เหมือนกันแม่มีปัญหาในการะจายกพาไปดูร้านเหมือนกันนะ นคุณเช่ไหมคนพันนี้นะผมจะถีบแม่งลงจากน็อตเลยผก็ชี้อตรงนี้เอฟเฟกต์มากเลยนะน้องทำอย่างนี้นะนี่นชายหญิงโผเบี้ยเลยนะนม่งโผ่เบี้ยนะยนะอันนี้นม่งโจดน่าดีกว่าเดิมไม่พูดอะไรบ้าจานตรงนี้มืดไปตรงนี้ไม่ได้นะทานไ้จิ๊กโกเยอะตรงนี้กกนคือครูพูดกับแม่งนะ 18, แปดแข่งแม่งบอกไม่ได้สักแข่งกูเลยบอกวัเลยหลืที่เดือได้ไดตีนคู mm hmm. จบแล้วเวลา ขาใหยังเคยเคยเจอคนประเภทอะไรก็ไม่ได้เลยนี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้มึงเสร็จแล้วมึเสร็จแล้วมุกิดการเรียนรู้มึงแล้วมึงเป็นคนไม่สู้มึงไม่ใช่คนสู้ชีวิตตายเลิแล้วก็ยุ่กับกูใช่าประจบมึงแหกคนเศร้าใหม่เลยกูคนเศร้ามึงมึงไม่ตางค์เลิกเกมคุยกันแว่นหน่งสิบปดครั้งพาไปมุมนี้ก็ไม่ได้มุมนี้ก็ไม่ได้ มุมนี้ก็ไปได้มีคนหนึ่งเป็นผู้จัดการจบวิศวะเครื่องกลธุราแม่งเสือเป็นลูกศิษย์คุยกพอแม่งรวยมากทํำธุรกิจนะนะแล้วมันก็กลายเป็นเมนเจอร์แล้วมันก็มีปัญหาเรื่องที่น้อง ต, ตีเรืองค์กรได้ไหม อ, อ, อีอออเคอึ้งทุกครั้งที่มีหุ้นส่วนจะต้องแดดกันนะคุณจำไม่ได้ชีวิตตียาหุ้ส่วนกับใครนะทําด้วยตัวมึงเองใช่ยังไม่มีใครจริงใจกับมึงมนอกจากโผล่มึงเองแม้แต่พี่น้องมึงอย่าพึ่งหุ้นส่วนเลย หรือตัวมูอเดียวถ้ามึต้องการเลือกใครเป็นศัตรูจเข้าคุณกับมันแล้ว <c oughs> มีแค่ศัตรูหน้าตายแบบนี้เลยคุณกับปูหรือมีศัตรููแต่มึงอยากเก็บว่าเป็นเพื่อนให้อะไรครับถ้าปอยาเป็นเพื่อนกับมึง อ, อย่าลงทุนกับูเด็กขาดเป็นเพื่อนอย่างนี้ดีแล้วช่วยกันคนละ บ, บรราสคนละกระเป๋าแม่มีทุกเรื่องอาจารย์บอกอ่าทาอย่างนี้ไม่ได้ครับติดไอเฮียติดไออีติดไออิติดอะไรรู้เ ย, ย่าง ท้ายกูก็เลยบอกว่าอามิตรพุ๊บสูเอแบบ